กราบนอบน้อมบูชาพระพุทธธรรมประสงค์กราบขออากาศพระยานไพศาลพระเทราตเถร ะ, ระตลอดจนเพื่อนสัทว์ธรรทุกท่านจะเิญในธรรมสามเณรดีแล้วก็ไม่ชียะติธรรมทุกคนนะนั่งกันตามสบายนะวันนี้ก็เป็นวันวันพระนะ ลองสุดท้ายนะอีกพระหนึ่งก็ออกพรรษานะเป็นแค่เจ็ดวันก็วันเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วเนาะนะสหัหลายคนที่เรู้สึกบางบางทีตัวเองเพิ่งเข้าพรรษาเพิ่งบวชนะก็แป๊บเดียวก็จะออกพรรษาละนะไม่นาน สี่วันเวลาเนาะมันก็ผ่านไปไปรวดเร็วนีอย่างเมื่อปัสสาที่แล้วนะก่อนออกพรรษาก็เออทาให้ระลึกทีเ่เราก็ได้ไปก่อนออกพรรษาก็ไม่ค่อยได้อยู่วัดเหมือนกันอย่างปาสาที่แล้วก็ไปอินเดียไปนมัสการสังเวชติยสถานอาจารย์สุดินก็พาเราสวดธรรมาจัก ก็ได้เป็นสถานที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมเราก็ได้ได้ลึกถึงเออเราได้ไปสังเวชนินยสถา น, นได้ไปดูนะอย่างเช่นสถานที่พระพุทธเจ้าท่านท่านประสูดเนี่ยเขาว่าอยู่ที่ลุมพินีวันถ้าสถานที่ปัจจุบันก็อยู่ในเขตของประเทศอินเดีย พระเจ้าท่านประสูนที่ตรงนั้นนะก็มีหลักฐานอยู่นะมีหลักฐานที่ชัดเจนนะประสูน ต, ตสรู้แสดงทรรมปริิพพานนะอยู่แถบชมพูทบีบแต่เมื่อวานนี้ก็มีคนส่งข้อมูลมาบอกว่ามีการวิจัยมีการศึกษานะเป็นอาจารย์เป็นศาสตราจารย์นะบอกว่าที่จริงพระพุทธเจ้า ท่านเป็นคนไทยนะท่านเกิดในเมืองไทยอืมตัดสือในเมืองไทยนะพะแดงทำก็อยู่ที่เขตเมืองไทยนี่แหละนะปริญญพภานก็อยู่ในเขตเมืองไทยนะถ้าเป็นงานวิจัยนะเผยแพร่กันแบบเป็นจริงเป็นจังมีชื่อเมืองมีประวัติศาสตร์อ้างเองนะเขาก็ส่งมาให้ดูเราก็ได้อ่าน <c oughs> ก็ดูตลกตะลกดีนะเป็นการเหมือน คล้ายเป็นหลักฐานที่แบบไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไรหร่หลักแต่ก็พยายามที่จะเชื่อมโยงให้ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเออเหมือนพอคิดที่จะเชื่ออะไรนะก็พยายามหาหลักฐานเชื่อมโยงให้มันใกล้เคียงนะเอาตามที่ตัวเองเชื่อให้ได้นะมันเป็นความรู้สึกเหมือนคล้ายพยายามที่จับจับแพะมาชนแกะนะแล้วก็ ยืนยันเชื่อว่าตัวเองอที่ตัวเองเชื่อเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่มันก็เห็นว่าเออมันก็เห็นเลยว่าความความเชื่อของคนเนี่ยมันทําให้เราพยายามที่จะมองอะไรหรือศึกษาอะไรก็โน้มนํานะไปให้มันเป็นสอดคล้องกับความเชื่อของเราเองที่จริงก็เหมือนกับคล้ายๆหลายๆครั้งนะ พอเรารู้สึกว่าคนนี้นะเขาไม่ดีคนนี้เขาทาไม่ถูกเรามองอะไรนะมองอะไรเขาก็เขาก็ไม่ดีจริงๆเขาก็ไม่ถูกจริงๆเนี่ยความรู้สึกของเราเหตุผลของเราเนี่ยมันเข้าข้างตรงนั้นจริงๆเนี่ยบางทีความความไม่รู้ความจริงนะหรือบางทีอคติเนี่ยความโน้มเอียงของจิตเนี่ยแหละ มันนําพาให้เราเชื่ออย่างนั้นดึกซึ้งขึ้นคิดอย่างนั้นนะมากขึ้นแล้วก็สรุปอย่างนั้นจริงๆนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ก็เออเป็นเรื่องที่สนุกสนุกนะที่ได้ดูนะแต่ก็มันก็มีคนคิดแบบนั้นจริงๆนะก็ไม่แน่นะฮะประเทศจีนนา จ, จะมีคนคิดแบบนี้เนะชื่อว่าเจ้าเกิดอยู่เมืองจีน ปนิเพานที่เมืองจีนก็ได้นะอืแต่จริงอินเดียเขามีหลักฐานชัดเจนจริงๆนะ เ, เราได้ไปเห็นได้ไปดูได้ไปสัมผัสแล้วมันมันเป็นสิ่งที่มันมีความน่าเชื่อถือนะแล้วก็มันก็มีหลักฐานชัดเจนอย่างที่ประสูตเนี่ยก็มีสิ่งที่มีหลักฐานชัดเจนนะแต่มันจะจริงร้อเอร์เซหรือเปล่าเราก็รับรู้ รับประกันไม่ได้หรอกเนาะแต่พระพุทธเจ้าเองนะท่านประสูติขึ้นมานะเขาก็ว่าท่านเดินได้เขาก็ว่าท่านเดินแล้วก็ประกาศพูดเลยนะบอกว่าเราเป็นผู้เลิ่อที่สุดในโลกเราเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกอการเกิดครั้งนี้หรือว่าชาตินี้นะ่ะเป็นชาติสุดท้ายสำหรับเราแล้วเพราะว่าอะไท่านบําเพ็ญบารมีสี่อสงไขย แสนมหากรัปฯยาวนานมากะก็รมหากรัปหนึ่งก็โลกเกิดดับครั้งหนึ่งนี่แหละนะโลกมนุษย์ของเราเนะโลกมนุษย์เราเกิดดับครั้งหนึ่งนี่เรียกว่าหนึ่งมหากรัปฯแต่พระเจ้าบำเพ็ญบารมีมานานกว่า น, นั้ น, นอาจจะเป็นความจริงอย่างที่เวลาแบบ ที่เขานับแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นเรียกว่าเป็นธรรมมาทิฏฐานเป็นการสมมุติให้เราเห็นว่าเออการบําเพ็ญบา ร, รมีกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยมันนานมากนะน่ะมันนานแล้วมันทําให้เรารู้สึกอย่างไรมันนานแล้วทําไมมันมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ที่มีโอกาสดีนะ เพราะว่าช่วงเวลาที่พระเจ้าท่านจะมาตรัสดูเนี่ยท่านบำเพ็ญบรารมีมานานนะเราอะโชคดีที่ได้เกิดร่วมสมัยน่ะที่ยังเป็นช่วงที่ยังมีพุทธศาสนาอยู่นะเพราะถ้าเราเกิดในยุคสมัยอื่นเนี่ยธรรม ะ, อ, ะอาจจะยังไม่ธรรมะก็คงมีอยู่แต่ผู้ที่รู้ธรรมะที่จะมาสอนธรรมะเนี่ยมันไม่มี มันยากตรงนี้แหละมันยากตรงที่เราเองก็เป็นผู้ที่มีปัญญายัางไม่มากนักถ้าไม่มีผู้สอนถ้า ม, มีผู้บอกถ้าไม่มีผู้อบรมนมันก็ยากที่เราจะรู้ธรรมะได้ด้วยตัวของเราเองมีเพียงแต่พระพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้าเท่านั้นที่ท่านจะรู้นะด้วยตัวของท่านเองสาวกทั้งหลายเนี่ยหรือว่าสัตว์ทั้งหลายนี่ ถ้าไม่มีผู้บอกผู้สอนเนี่ยก็ยากที่จะรู้เนี่ยมันเป็นความโชคดีของเราตรงนี้แหละเออที่เราได้มาเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าแม้จะเกิดหลังจากท่าน 2,500 กว่าปีนะแต่ก็ยังถือว่าพระธรรมคำสังสอนที่ท่านยังสอนอยู่ก็ยังไม่เรือนหายไปที่ไหนนะนะถ้าเราได้สัมผัสนะดูดีๆนะจะพระสูตรใดก็แล้วแต่ที่เรา เราลึกได้เราน้อมนามาปฏิบัติจริงๆเนี่ยเออมันมีอยู่จริงนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านสอนอย่างเช่นเราปฏิบัติบ่อยๆสติปัฏฐานสูตรนะมหาสติปัฏฐานสูตรมีสติดูกายมีสติดูเวทนามีสติดูจิตมีสติดูธรรมนะเราก็น้อมมาปฏิบัติมันเห็นผลจริงๆเนาะ ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมมันก็ดูได้จริงๆดูแล้วก็เข้าใจกายมากขึ้นจริงๆเข้าใจเวทนาเข้าใจจิตเข้าใจธรรมมากขึ้นจริงๆเข้าใจนะมากเท่าใดความทุกข์ก็ลดน้อยลงไปนะตามลาดับจริงๆนะหรือที่จริงขณะที่เข้าใจตรงนั้นมันก็ไม่ทุกข์จริงๆนะ นิพพานช่วขณะก็ปรากฏขึ้นในจิตจริงๆเนะี่ยพระสูตรต่างๆถ้าเราน้อมนำมาปฏิบัติเนี่ยมันก็ได้ผลจริงนะใช่ไหมสถานที่นะก็มีอยู่จริงนะธรรมะที่พระเจ้าท่านสั่งสอนนะพระสูตรต่างๆก็ทำแล้วก็ได้ผลจริงๆเนะี่ยมันก็เป็นมันน้อมให้สู่ความเชื่อนะพระพุทธองค์ท่านมานะพระสูตรนะใน โลกของมนุษย์นะได้มาตัดสู้ทำนะที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์เออมันก็ยังมีต้นโพธิ์อยู่นะยังมีผู้คนไปแสวงหาไประลึกถึงท่านอยู่เสมอนะท่านกออ็ตั้งใจเลยนะถ้าเราจะระลึกถึงท่านเป็นมหาบุรุษคนหนึ่งที่ระลึกว่านะแม้เลือดเนื้อเหงื่อเอ็นนะ จะเหือแท้งไปก็ตามตาบใดถ้าเรายังไม่บรรลนะุซึ่งธรรมะเนี่ยเราก็จะมีลุกจากที่นั่งนี้โอ้ได้ยินคำแบบนี้เนาะรู้สึกถึงความเด็ดเดี่ยวของพระพุทธเจ้านะท่านเป็นมหาบุรุษที่มีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวจริงๆทำให้เราก็ได้ลึกถึงตัวเราเองหรือคนอื่นว่า เออจิตใจของเรามันเด็ดเดี่ยวแบบนั้นหรือเปล่าเนาะนะบางทีเราปฏิบัติธรรมเนาะบางทีมันก็มีความสงสัยหรือบางทีเราก็เรียกว่าง่ายๆว่าถอดใจนะไปทำไปแล้วบางทีมันง่วงมากเนี่ยมันถอดใจนะง่วงมา ก, มากอยากจะไปพักฟุ้งซ่านเบื่อํำคาญนี่ก็ใจก็แบบดังเลยแล้วจะปฏิบัติดีหรือเปล่าเนา ทำไมตอนไม่ปฏิบัตินี่ยมันไม่เห็นทุกข์ขนาดนี้พอมาปฏิบัติแล้วทําไมมันมันทุกข์เหลือเกินนะง่วงก็ง่วงเหลือเกินฟุ้งก็ฟุ้งเหลือเกินคิดเออก็แล้วก็เครียดเออเรามาปฏิบัติให้ตัวเองทุกข์หรือปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์วะเนี่ยก็ทีก็ลังเลสงสัยนะไม่แน่ใจจะเดินไปข้างหน้าหรือจะถอยไปข้างหลังเออบางคนก็คิดว่า เออเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นนักบวชเนี่ยมันลาบากเนาะอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้ถ้าเป็นค า, ารวาเป็นคนธรรมดาเป็นคนไม่ปฏิบัติเนี่ยอะไรก็ได้บางทีก็ไปคิดนะแบบนั้นอันเนี้ยเรียกว่าดังเลสงสัยนะแล้วก็ไม่แน่ใจนะแต่พระพุทธเจ้าองค์เน่ะโอ้ท่านมั่นคงนะไม่ดังเลไม่สงสัยละทำเลยนะ แต่บางทีการทำาก็มีผิดบ้างมีถูกบ้างแหละนะท่านออกแสวงหาธรรมะท่านก็ลองปฏิบัตินะทาสมาธินะก็ลองก่อนนะลองแล้วมันก็รู้ว่าทางนี้ใช่หรือไม่ใช่นะรู้ว่าไม่ใช่ก็หาทางอื่นต่อนะทาสมาธิเอยยังไม่ใช่คำตอบสูงสุดนะสงบขนาดไหนก็เพียงแค่ชั่วคราวออกมาก็ยังมีความ โรคความโกรธความหลงมีกิเลสอยูอ่ออกมาหาทางใ่ทำกายทำใจให้มันทุกข์ให้มันทรมานดูสินะอย่างที่เราสวดนะทางสุดโตงเนี่ยนะสองทางทางหนึ่งเสพกับความสุขทางหนึ่งก็ทรมานให้มันทุกข์นะเพราะเชื่อว่าทุกข์มากๆนะอาจจะออกจากความทุกข์ได้นะคล้ายวิธีการเหมือน เอานาำยอกก็เอาน้มนาเอานาบ่มออกไปนะนามยอกก็เอานาบ่มออกแต่ที่จริงในการบำเพ็ญทางใจนะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรากำหนดรู้นะเราต้องเรียนรู้นะไม่ใช่ต้องไปทนหรือว่าไปทรมานนะไม่ใช่ไปการไปทำทำกายทำใจให้มันทุกข์แต่เราต้องเรียนรู้ทุก นะนี่แหละอริยสัตว์สี 4, นะ่ทางสุดโตง่งสองทางที่เราทำเนี่ยเป็นการทางหนึ่งนี่หนีทุกข์นะอีกทางหนึ่งนี่ก็จมกับทุกข์นะการมสุคานิการนุโยกนี่ยคือหนีทุกข์นะไปสแสวงหาความสุขจากลูกรถกินเสียงโผฏพะธรรมรมนะกับความสบายนะต่างๆอันนี้เรียกว่าหนีทุกข์ ไปสแสวงหาความสุขแล้วก็คิดว่าความสุขเนี่ยจะเป็นคําตอบจะเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนนะแต่จริงมันไม่ใช่นะสุขก็ประเดี๋ยวประดาวชั่วครัง้งชั่วคราวตั้งแต่สุขจากวัตถุสิ่งของจนทั้งสุขจากสมาธิก็ไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนนะการทําตัวเองให้ทุกข์เนี่ยก็เป็นความโง่อีกแบบหนึง่งนะนะ ทำตัวเองให้ทุกขนะ์ไม่ใช่ทางออกจากทุกข์พนระเจา้าท่านก็สอนไว้นะนะจนทัน้งท่านเห็นว่าที่จริงทางที่ออกจากทุกข์คือการต้องมาเรียนรู้ทุกข์นี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่ท่านสั่งสอนนะที่สาดนานนะสอนบทนี่แหละธรรมจักกัปวัตนสูตรสูตรนะที่แสดงทางสุตโตงสองด้านสูตรที่แสดงอริยสนะัจสี่ ต้องมาเรียนรู้ทุกน ะ, ะนี่ก็เป็นสถานที่ก็มีอยู่จริงนะอโอ้ตรงสถูปนั้นก็ดูมั่นคงดูเรียกว่าน่าเคารพนะมีความสงบมันก็เป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงเราก็ได้ไปเห็นได้ไประลรึกนะแต่ท่านก็สอนธรรมะพวกเราสี่สิบปี45่ห้าพรรษานะสุดท้าย ร่างกายของมนุษย์นะพระพุทธองค์ท่านก็อยู่ในร่างกายของมนุษย์นะก็มีความตายนะเป็นธรรมดานะต้องปรินิพานนะแม้หลายๆคนก็ไม่อยากจะให้พระพุองค์ต้องเสียชีวิตนะปรินิพานเหมือนกับพวกเราหลายๆคนเนาะก็ไม่อยากให้หลวงพ่อนะคำเขียนของเรานะละสังขารแต่ร่างกายนะมันก็เป็นธรรมตะ ธรรมดาของของธาตุของขันนะเรียกว่าการละสังขารตัวนี้คือการละธาตุการละขันนะธาตุก็ธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะเราชีวิตของเราก็ประกอบด้วยธาตุนี่แหละนะชีวิตมนุษย์ก็ดีชีวิตสัตว์ก็ดีชีวิตของพืชของสิ่งมีชีวิตต่างๆก็ดีก็ประกอบด้วยธาตุนะ เพีเยงแต่ธาตุของแต่ละคนก็มีส่วนผสมแตกต่างกันไปบ้างเนี่ยแต่ธรรมชาตินะธาตุก็ต้องกลับไปสู่นะธรรมชาตินะเรียกว่าเป็นการคืนธาตุนะกลับไปสู่โลกนะร่างกายเลือดเนื้อเหงื่อเอน็นต่างๆกลับไปสู่โลกเนี่ยเป็นการคืนธาตุคืนขันเนี่ยสําคัญนะนะขันทั้งห้านะรูปขันนะ เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันนะหรือจะพูดง่ายๆว่าคืนรูปคืนนามนะรูปเนี่ยก็คืนด้วยกันเนี่ยคืนท่าทั้งสี่เนี่ยกลับไปแต่สิ่งถ้าคนไม่ปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่คืนนามมาขันนะมันยังคิดว่าอารมณ์ความคิดหรือวิญญาณต่างๆเนี่ยมันเป็นของเราถ้าเราไม่คืน นีโดยเฉพาะนามะขันนี่นะมันจะทําให้เราไปเกิดเป็นพบน้อยพบใหญ่นีแต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือพระอรหันต์นะถึงที่สุดนะท่านคืนทั้งฆ่าธาตุนะก็คือรูกประคันเนี่ยคืนสู่โลกไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารที่เป็นรูกประคันแล้วแล้วก็ไม่ยึดมั่นนะในนามะสิ่งที่เป็นนามะธรรมนะเป็นสิ่งที่เป็นนามะรูปตรงนี้ด้วยนะ เนะี่ยถ้าไม่คืนตรงนี้นะมันก็จะเกิดความคิดนะว่า น, นี่คือรูปของเรานะรูปของเราแก่รูปของเราเจ็บรูปของเราตายก็ทุกข์นะหรือบางทีเราก็ยึดมั่นในพบน้อยพบใหญ่ที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างเช่นวารจิตสุดท้ายนะจะตายแล้วนะคิดห่วงแหนอะไรนะ คิดห่วงแหนทรัพย์สมบัตินะ่ะก็อาจจะมานะบนเวียนเป็นผีเฝ้าสมบัติของตัวเองอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือในนะพระสูตรนะพระพุทธองค์ก็เปรียบยกตัวอย่างบางทีก็มีพระนะคิดห่วงแหนจีวร น, นะที่ตัวเองเพิ่งได้รับการถวายมานะ่ะจิตใจก็นะแลดึกห่วงแหนตอนนี้ก็กลับมาเกิดเป็นเรนนะ อยู่เกาะชายจีวรของตัวเองก็มีอันนี้จิตสุดท้ายมันคิดอะไรนะันระลึกอะไรก็ทำให้เกิดเป็นภพนะเกิดเป็นภพขึ้นมาอีกนะจิตคิดดีนะก็อาจจะพาไปสุขติจิตระ ล, ลึกถึงแม้กรรมที่ไม่ดีของตัวเองนะก็พาไปทุกติเหมือนกันอย่างไม่สมัยก่อนนะมีพระนางมณนิกานะเป็น เป็นพระเมเหสีของพระเจ้าประเทนที่โกสนนะที่จริงนางก็เป็นคนที่ทาบุญสุนทานนะนขนไควในการาช่วยเหลืองานภศาสนาในี่เยอะมากแต่พระนางเองก็เคยมีกรรมที่ทำไม่ดีนะนะเคยเรียกว่าเคยเสพเมถุนธรรมกับสุนักนะแล้วก็ ก็โกหกพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าตัวเองไม่ได้ทํานะกรรมพวกนี้ยเพียงแค่นิดเดียวนะพอจิตสุดท้ายมันดึกเช่นนั้นนะไปตกนรกนะแต่พระพุทธองค์ท่านก็เป็นผู้ที่ฉล า, าดนะพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยท่านสงสัยว่าเม่เหตุสีที่รักของตัวเองเม่เหตุสีที่ดีที่งดงามตัวเองเนี่ยตายไปแล้วจะไปไหนนอ้อจะไปทูลพระพุทธเจ้าไปถามพระเจ้า ไปกี่ครั้งนะพระพุทธเจ้าท่านก็ทําให้ลืมนะทําให้ลืมทําให้ลืมไม่ได้ถามเกยนทั้งครบเจ็ดวันวันที่แปดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่แกแล้งละไม่ก็ให้ถามได้นะพระองค์ก็ตัดต่อว่าเออพระมหิสีของพระ อ, องค์เนี่ยตอนนี้ไปอยู่ที่สวรรค์แล้วนะนะแต่เจ็ดวันที่ผ่านมานะ่ะแกล้งให้ลืมที่จริงตกนรกอยู่เจ็ดวันนะเป็นเพราะอะไรคือท่านก็ รู้ว่าความจริงนะของพระนางมณีกาเป็นอย่างไรแต่บางทีนะความจริงก็ไม่ใช่ว่าเราครนรที่ต้องพูดทั้งหมดนะพระเจ้าก็แสดงนะอถ้าสมมุติว่าบอกว่าพระนางมณีกาเนี่ยไปนรกนี่พระเจ้าพระเศนิโกโสนหรือคนทั้งหลายก็จะคล้ายๆศรัทธาก็งอนแง่นคอนแคนทําไมคนดีคนทําบุญสุนทานแบบนี้นะไปตกนรกด้วยคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาทําไม่ดีอะไร แม้นิดหน่อยแม้เด็กน้อยก็จะพาไปสู่นรกได้เหมือนกันพระนางมณีกาก็เป็นเช่นนั้นแม้ทำดีมากมหาศาลนะแต่ทำผิดพลาดนิดเดียวแล้วจิตไประ่ดึกถึงกรรมชั่วที่จะเองทำเนี่ยก็พาไปสู่นรกได้นะแต่ก็ไปไม่นานนะเพราะว่าทาไม่มากแล้วก็กรรมดีที่ทำไว้ก็ส่งนะให้กลับมาสู่สวรรค์อันนี้แหละบางทีเราก็ได้ระึกเออที่จริงแม้ กรรมเล็กน้อยนะอ่านะก็ไม่กรรมชั่วเล็กน้อยก็ไม่ควรทำํำนะหรือบางทีพุทธวิธีในการสอนของพระพุทธเจ้าก็ก็น่าสนใจนะแม้บางทีเป็นความจริงนะแต่เราก็ไม่ต้องพูดความจริงทั้งหมดก็ได้นะความจริงที่ควรพูดก็ต้องให้มันถูกกาลเทศะนะบางทีพระเจ้าก็บอกว่านะถ้าเราจะพูดนะสิ่งนั้นก็ต้องเป็นความจริงนะ เป็นความจริงแล้วก็เป็นความจริงที่มีประโยชน์ด้วยนะแล้วเป็นประโยชน์ที่มันถูกกับเวลาที่เหมาะสมที่จะพูดด้วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็รึกก็ได้นะนพระพุทธองค์ท่านก็สอนธรรมะเราเราก็น้อมธรรมะมาปฏิบัติแล้วกันนะหรือบางทีการจากไปของพระพุทธเจ้าการจากไปของหลวงพ่อครูบาจารย์เนี่ยนะมันก็ทำให้เราเห็นว่าเนี่ยธรรมดาของสังขารร่างกายมันเป็นเช่นนั้นนะ ตอนนี้แหละคือสังเวชนิยสถา น, นที่มันก็เป็นจริงเนา ะ, นะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนี่ยถ้าเราจะได้ลึกถึงพระพุทธองค์เนี่ยสังเวชนิยสถานทั้งสี่สถานที่ประสูตรสถานที่ตัดสรู้สถานที่แสดงธรรมครั้งแรกหรือสถานที่ประนิพพานเนี่ยถ้าใครมีโอกาสได้ไปนะก็ไปน ะ, นะก็ไปไปชมไป นมัสการไประลึกถึงนะเราก็จะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะได้ขันตินะความอดทนอดกั้นเนี่ยไปอินเดียเนี่ยได้คันติเยอะนะถ้าใครไม่มีคันตินี่ก็จะแค่ขอทานมาเดินตามนี่ก็ตาบะแตกแล้วนะได้ขันตินะหรือบางคนไปแล้วก็ได้ปิตินะซาบซึ้งใจบางคนก็ได้หรือบางคนได้มากกว่า น, นั้นก็เกิดศรัทธา เชื่อมั่นมั่นคงนะว่าพระพุทธพระเจ้ามีจริงนะเราก็น้อมเอาธรรมะมาปฏิบัตินะก็เห็นผลจริงนะศรัทธาก็มั่นคงขึ้นนะได้สติได้ปัญญานะน้อมนำมาพิจารณารูปนามตามความเป็นจริงอันนี้ถานที่เราเนี้ยมันก็มีอยู่จริงนะแต่ที่จริงนะลึกๆกว่านั้นในใจของเราเนี่ยก็ สามารถระลึกได้แบบนั้นเหมือนกันนะอย่างการเกิดนะในจิตในใจเนี่ยเกิดมาก็เพราะความไม่รู้เพราะความหลงเนาะมันเกิดอย่างเช่นเกิดความคิดเกิดอารมณ์ในจิตเนี่ยเออมันเกิดขึ้นแล้วนะจิตมันเกิดการปรุงแต่งขึ้นแล้วเราก็ตัดสู้เลยสิเราก็รู้นะเมื่อเกิดความคิดเกิดอารมณ์ขึ้นมาเรารู้นะนะ ส, สานที่เกิดนะเกิดขึ้นแล้วเกิดในจิตสฐานที่ตัดสู้นะไม่ใช่ที่ต้นโพธิ์ที่ไหนก็ในจิตของเราเนี่ยแหละรู้นะรู้ทันทีรู้อะไรรู้ธรรมเมื่อมาเกิดความหลงเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความทุกข์สิ่งที่เรารู้ก็คืออะไรรู้ทุกข์ใช่มพระเจ้าสอนแปดหมืสี่พันทธธรรมขันธ์ก็สอนเรื่องทุกข์แล้วก็ การดับทุกข์ทั้งนั้นนะธรรมะจริงๆเนะี่ยท่านแสดงธรรมนั่นก็คือทุกข์นั่นแหละแสดงธรรมถ้าเรารู้ทุกขนะ์เราก็ดับทุกข์ได้นะขนาดแค่รู้เฉยๆเนะี่ยเรียนรู้ว่าจิตมันทุกข์ความทุกข์ก็ดับไปนั่นะแหละวันนี้ผ่านแล้วนะดับไปแล้วนะเนี่ยสังเวชนิยสถานนะที่อินเดียก็ดีนะ ถ้าเราน้อมมาปฏิบัติในจิตของเราเนี่ยมันสนุกนะมันมีการเกิดมีการรู้รู้อะไรก็รู้ทุกนะทุกก็ดับไปนะปรินิพพานแล้วอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติทำเนาะมันก็จะเห็นได้เรียนรู้ตรงนี้แหละนะอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนะี่ยถ้าใครได้ไปนมัสการสังเวชนิยสถานเนี่ยก็จะทำให้เกิด นะการกระทนะให้สิ้นถึงความพ้นทุกข์ได้นะอันนี้ถ้าเรามีศรัทธาเรามีสติเรามีปัญญาแล้วก็เราน้อมมาปฏิบัตินะในจิตในใจของเราเช่นนี้ได้นะนะมันก็จะพาเราออกจากทุกข์ได้จริงๆนะเราจะไปหรือเราไม่ไปแต่ถ้าเราสามารถดูกายดูใจของเราเช่นนี้ได้นะ ดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนะรู้มันนะตามความเป็นจริงนะความทุกข์ก็ดับไปที่จริงก็มีแค่นี้แหละนะการเกิดขึ้นมานะเราก็ต้องเรียนรู้นะรู้ว่าการเกิดเนี่ยมันเป็นความทุกข์นะเมื่อรู้แล้วมันก็เกิดปัญญาปัญญานี่แหละเขาจะพาทำให้ทุกข์มันดับลงไปของเขาเองนะมันก็จบแค่นี้นะ เกิดขึ้นนะตั้งอยู่แล้วก็ดับไปชีวิตมันก็มีแค่นี้เนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากกันนั้นมีแต่สิ่งที่เราต้องทำให้มันมากขึ้นนะภาวนาก็คือการทำให้มากเจริญให้มากอันนี้แหละคือสิ่งที่สาระสำคัญที่สุดของชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรม จากผู้รู้ต่างๆและสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้น้อมนำท ร, รมาปฏิบัตินี่นแหละคือสิ่งที่สูงสุดของชีวิตของเราก็ข อ, ขอนะจบการแสดงทมเพียงแค่นี้